นี้เป็นวันออกพรรษ า, าเป็นที่รู้กันดีนะเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่จะรู้กันก็เฉพาะในหมู่พระก็คือเป็นวันมหาปรวารณาไม่ใช่ปวารณาเฉยๆนะเป็นวันมหาปรวารณาวันนี้ก็จะมีพิธีปรวรณาในหมู่พระ แทนที่จะมีการสวดปฏติโมซึ่งถือว่าเป็นสังฆ ก, กรรมที่สำคัญปฏติโมนี่พระทุกรูปในวัดนะ่ต้องมาร่วมถ้าอยู่ในวัดแต่ว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยจะพิเศษจะงดเว้นและมีพิธีปารณาแทนแสดงให้เห็นว่าพิธีปารณานี่ก็สำคัญสำคัญขนาดที่เรียกว่างด หรือเอามาแทนที่าการสวดปฏิโมกว์ปราราคืออะไรนะปรารานี่ปรารานี้ก็มีสองความหมายความหมายนคือยอมให้ยอมให้ขออนุญาตให้ขอได้อันนี้ส่วนใหญ่ญาติโยมก็ปรารณากับพระคือถ้าไม่มีการปรารณากรหัสเนียโยมจะไปพระนี่จะไป รบกวนญาติโยมไม่ได้นะอย่างเช่นบอกว่าโยมไปซื้อน้ำอารมณ์ให้หน่อยนะหรือว่าวันนี้จะไปแก้งขคอเดี๋ยวขอค่ารถหน่อยนะห้าสิบบาทหรือวันนี้จะไปกรุงเทพขอค่ารถสองร้อยนะอันนี้ไม่ได้นะพระทาไม่ได้ถ้ายมคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปวารณาหรือบอกว่าโยมช่วยทำแกงไก่ให้หน่อยนะ นี่ก็ไม่ไดนะ้เพราะธรรมดาพระเนี่นะไม่สามารถที่จะออกปากขอโยมได้จะออกปากได้ก็เฉพาะกับญาติโยมที่ปรารณาซึ่งจะเนือเองก็ไม่ได้นะต้องให้โยมเขาบอกว่ า, าโยมขอปรารณาเรื่องค่าเดินทางนะหรือโยมขอปรารณาว่ามีอะไรติดขัดขาดเรือก็มาบอกได้นะ ต้องบอกกล่าวให้รู้ไม่ใช่นึกเอาเองว่า อ, อ๋อเนี่ยเราคุ้นเคยกันอขอหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่ได้ดัในเรื่องนี้ในทางพระถือเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าไปออกปากขออย่างจากโยมที่ไม่ใช่ปรณานานีอันนี้อาบัตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องปัจจัยสเรื่องจีวรเดีย๋ยนี้ก็มีเรื่องเงินเข้ามา อันนี้พระเราบางทีก็ไม่รู้ก็ขอไปขอไปเรื่อยนะโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้แยกแยะว่าใครบ้างที่เป็นปรณนาใครบ้างที่ไม่ใช่ปรณัยความหมายหนึ่งก็หมายถึงว่าอ น, นุญาตหรือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนทวงติง่งอันนี้แหละคือความหมายของอพิธีปรณนาที่จะมีขึ้นในวันนี้ ในวัดทั่วประเทศนะที่มีพระสงฆ์จำพรรษาทำไมจึงจัดให้มีพิธีปรนรณาในวันออกพรรษาก็เพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งนานๆนะจะมาอยู่ร่วมกันก็เฉพาะในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จก็จะจาริก เพราะสมัยก่อนนี่วัดมีน้อยแล้วส่วนใหญ่ท่านก็จาริกกันเป็นหลักต่อเมื่อขอ้าพรรษาก็จะหาที่หาทางมาอยู่ร่วมกันแล้วพอพ้น3ามเดือนไปก็จาริกนะจะมีวัดก็เป็นบางแห่งเช่นเชตวันเวลุวันมหาวันเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่มาเจอพรรษาแล้วเกรงว่าจาไม่ได้ พบปะกันอีกหรือว่านานๆจะได้เจอกันทีก็เลยทำพิธีปรนนาในพิธีนี้พระนะทุกรูป ก, ก็จะกล่าวกระสง์ว่าถ้าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีว่าข้าพเจ้าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเป็นดูเมื่อข้าพเจ้ารับรู้แล้วก็จะแก้ไขมันเป็นพิธีกรรมที่มีเนื้อหาสาระดีมากกนะ็แสดงถึงความถ่อมตัว ไม่ว่าจะเป็นพระอาวุโสหรือพันเตไม่ว่าจะมีพรรษา40 50หรือว่าเพิ่งบวชใหม่ก็ต่างปรารถนาให้แก่กันแสดงความถ่อมตัวแล้วก็แสดงถึงความปรารถนาที่จะฝึกฝนพัฒ น, นาตนเพราะว่าการที่คนเราจะเจริญ ง, งอกงามในธรรม หือว่าได้ประโยชน์จากชีวิตประจำันประจำวันในที่นี้หมายถึงการดําเนินชีวิต อ, อันประเสริฐหมายถึงการปฏิบัติตามอริยมักมียงแปดซึ่งก็คลุมไปถึงญาติโยมด้วยแหละแม่ฉีด้วยการที่คนเราจะมีตนที่พัฒนาแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องฝึกฝนตนแล้วเนี่ยนะก็ต้องหมั่นมองตนแต่การมองตนเนี่ยจะมองอยังไงก็ อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะมีตกหล่นอาจจะมีบางอย่างที่ทำไม่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวก็ต้องอาศัยกรลยานามิตรกรลยานามิตรเนี่ยก็คือมิตรที่ดีมิตรที่ดีนี่ไม่ใช่ประจบประแจงมิตรที่ดีนี่เป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญงกงามนะของเพื่อนเนะมื่อเห็นว่าเพื่อนทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรก็ออกปากทักท้วงติดติงแนะนำนะหรืออาจจะถึงขั้นว่ากล่าวเพื่อจะทำให้ได้พัฒนาตนเพราะว่าการทวนกระสายกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีกิเลสมันก็ครองงาใจไม่ว่าจะเป็นตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้ทิฏฐิคือความยึดติดในความคิดความคิดของกูต้องถูกความคิดของกูนี่ดี เยี่ยมกว่าคนอื่นมานะคือความถือตัวถือตนว่าฉันเก่งฉันแน่ไอตัวมานะโดยแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ไม่ยอมรับฟังคำท้วงติงหรือคําวิจารณ์เวลาทํางานหรือเวลามีความคิดอะไรเสนอไปพอมีเพื่อนท้วงติงก็โกรธไม่พอใจนี่แสดงว่ายึดติดในความคิดของตัว ซชิงก็โยงถึงมานะด้วยเพราะว่าพอมาทวงติงก็เหมือนกับจะบอกว่าแกผิดแกไม่ถูกก็จะเกิดความไม่พอใจเพราะว่ามันกิเลสเนี่ยหรือมานะเนี่ยมันต้องการแสดงต้องการบอกว่าฉันเก่งนะฉันฉันแน่แยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเนี่ยจึงมีตัวนี้เป็นพิเศษกับตัวทิฏฐิพระอาจารย์ตัดว่าเนี่ยพระราชา ขัดแย้งกันก็เพราะเรื่องตันหาเรื่องทรัพย์สมบัติแต่สงฆ์ทะเลาะกันขัดแย้งกันก็เพราะทิฏฐิมานะไม่ใช่เรื่องทรัพย์ไม่ใช่เรื่องสมบัติแต่เรื่องความคิดความเห็นแล้วก็เรื่องความถือตัวถื อ, ถอตนอย่างพระสงฆ์ในกรุงโกสัมพีก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งแยกกันเกิดการทะเลาะวิวาท จ, จนกนจระทั่งผู้ใจต้องเสด็จไปที่อื่นเพราะห้าไม่ฟังนีก็เพราะเรื่องทิฏฐิมานะนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่า เรามีการรับฟังคำท่วงติงแม้จะแม้ตัวกิเลสมันจะไม่พอใจตัวอัตตามันจะโวยวายแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันตัวกิเลสนะไม่ไปทุกไม่ทุกไปกับมันนะแล้วเราเห็นว่าคำท่วงติงนั้นมีประโยชน์ก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไข อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ได้ตัดกับพระอนุลเลยว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมแต่จะทำอย่างช่างปั้นหมอนะที่ทำกับหม้อเนี่ยก็คือตบนะตบหรือว่าให้เข้ารูปก็คือ จ, ขจขะขนาบจะขนาบแล้วขนาบอีกเพราะว่ากิเลสนี่มันก็จะคอย คอยแยง้งคอยคอยฝืนก็ต้องอาศัยการขนาบเนี่ยโดวยเ่าะจากครูบาอาจารย์จากกริยนมิตเนี่ยช่วยทำให้เข้ารูปเข้ารอยให้อยู่ในที่ในทางบางคนบางคนแค่ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนนะก็รู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่นคนบางคนทั้งที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ทำใจไม่ได้ อย่างนี้ก็มีสํานวนว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีนะหรือต้องปฏิบัติก็รู้ว่าครุกคลีก็ไม่ดีแต่ว่าก็อดทําไม่ได้เพราะใจมันไปอีกทางหนึง่งสมองไปอีกทางหนึ่งนะจิตใจไปอีกทางหนึง่งนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีการตักเตือนทุงติงขนาดเพื่อให้อ่ามีความรู้จักอดกลั้น อันนี้แหละคือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ไม่ได้มีแต่คำแนะนำสั่งสอนเท่า น, นั้นแต่ว่ามีคำท่วงติงด้วยแม้กระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ยังเคยเคยบอกกับหมูสงเลยว่ามีอะไรจะท่วงติงพระองค์ไหมถ้าคงมีศาสดาน้อยองคนะ์หน้าที่จะพูดเช่นนี้กับสิกนะว่ามีอะไรที่จะท่วงติงเราหรือเปล่า อันนี้สาเหตุหนึ่งความใจกว้างของพระพุทธองค์นะพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่จะทวงติ่งผู้อย่างเดียวแต่ว่าพร้อมที่จะให้ผู้อื่นได้ทวงติ่งด้วยพระสายิบุก็เช่นเดียวกันเป็ิพนพระอัครสาวกมีลูกศิษย์เยอะนะแต่ว่าท่านน้อมรับคำวิจารณ์วันหนึ่งมีสามเณรเนี่ยมาทวงว่าท่านเนี่ยพระสายฤาษนะผมจีวรลุ่ยนะ โอ้โหมจีวรนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นระเบียบแม้เพียงนิดเดียวนะพร ะ, ระรไซรุนะุไม่โกรธนะไม่โกรธสามนเณรก็กลับฟังแล้วก็ไปห่มจีวนให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นวิสัยของของบัณฑิตนะบัณฑิตทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกตนนะแม้ท่านจะไม่มีกิเลสแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังมีความบกพร่องในบางเรื่องพระอระหันต์เขาทำผิดวินัยได้นะ แต่ไม่ได้ทำด้วยเจตนาพาวินัยก็มีหลายข้อนะที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาแต่เมื่อมีผู้ท้วงติงก็ปรับปรุงแก้ไขหรือหรือว่าปรองอบับดอย่างพระอานนทนี่ก็ในช่วงหลังจากที่มีหลังจากมหาพุทธปรินิพพานแล้วนี่ก็มีคณะสงฆ์ท้วงติงท่านหลายอย่าง จริงท่านก็มีเหตุผลนะท่านยกแก้ได้ทุกข้อเลยมีเหตุผลว่าทําไมถึงทำอย่างนั้นแต่ท่านก็บอกตอนท้ายว่าในเมื่อพระสงฆ์หมู่สงเห็นว่าข้าพ เ, เ, เจ้าที่ข้าพเจ้าทําอย่างนี้ไม่สมควรเขาก็ข้าพ เ, เจ้าก็ยอมรับนะคืออธิบายแต่ไม่เถียงนะอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตเนะพราะฉะนั้นเรื่องของการการ คำทวงติงหรือการรับฟังคำท้วงติงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธก็ได้เป็นวัฒนธรรมของพระสงฆ์ที่น่าควรจะรักษาแล้วก็สืบทอดเป็นเป็นเจตนาลมเป็นหัวใจของการฝึกตนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าบางคนเนี่ยเพียงแค่ได้ฟังคำแนะนำก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่บางคนนี่ ต้องถูกตําหนินะถึงจะรู้ตัวใอสาพุทธกายก็มีพระนะรูปหนึ่งนะชื่อพระยะโสชะนะเป็นชาวประมงตอนหลังก็มาบวชมาบวชแล้วก็ชักชวนบริษัทบริวารให้มาบวช ด, ด้วยและวันหนึ่งก็ตกลงร่วมกันว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะที่เชตวันก็พากันไปเมื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็ ไปหาที่พักในระหว่างนั้นเนี่ยก็ส่งเสียงดังส่งเสียงดังก็ไม่ได้ถึงกับว่าตะโกนอะไรกันนะแต่ว่ามีการพูดคุยกับเจ้ามีการพูดคุยกับพระในสานักแล้วก็มีการเอาที่นอนมาปูแต่คงจะไม่ไม่ค่อยมีความพิถีพิถันระมัดระวังเท่าไหร่เสียงก็ดังพระตัวเจ้าได้ยินก็เลยถามว่าเสียงอื่นๆนี้นะ มาจากไหนเสียงอึ้งๆเหมือนกับชาวประมงกําลังแย่งปลากันนะก็ไปตรงกับพยโยชาทฤษีพระประโยชน์พยโยชากับบริบรวาลก็เป็นชาวประมงพระนรินทร์ก็ไปสอบถามทุกเกิดอะไรขึ้นนะพอรู้ก็มากราบทูลผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยเรียกพยโสชากับบริษัทบริวารมาแล้วก็ขับไล่ไปเลยนะไล่ออกจากสํานักเลยเป็นที่น่าอับอายมากแต่พยโยชากับ กลับได้สตินะแทนที่จะไม่พอใจนะแทนที่จะโมโหเนี่ยนะกลับพูดกับบริษัทบริวารว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรารถนาดีต่อพวกเรานะทรงมุ่งให้เราได้ประโยชน์นะที่พระองค์ตําหนินี่ด้วยเมตตาที่พระองค์ขับไล่นี่ไม่ใช่เพราะความเกลียดเมื่อรู้เช่นนี้เราก็ต้องนะบูชาพระองค์ด้วยสัมมาปฏิบัตินะต้อง ควรขวายภาคเพียรสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้ได้ก็เลยไปพร้อมใจกันไปอยู่ที่แห่งแห่งหนึ่งที่เป็นสงบเป็นที่ที่สงบช่วนั้นก็เข้าพรรษาพอดีไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็บ ำ, บำเพียนเพียรปฏิบัติบอกว่าไม่ทันออกพรรษาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถูกพระเจ้าขับไล ถ้าไม่ถูกไม่ถูกพระเจ้าขับไล่ก็คงไม่ได้สํานึกแล้วก็คงจะไม่มีความขวนขวายผาดเพียพยายามคนเราเนี่ยมีทั้งธรรมชาติฝ่ายดีและธรรมชาติฝ่ายฝ่ายไม่ดีเวลาสุกตําหนีเนี่ยถ้าไม่ระวังไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ดีมันก็จะแสดงเปิดติกิริรยาเป็นความกลัวเป็นความไม่พอใจกลัวระคุอเจ้าก็มีนะที่พระเจ้านี่ตําหนิยเขา แต่ถ้าคนมีธรรมชาติฝ่ายดีเนี่ยเมื่อถูกตำหนิเนี่ยจะเกิดสำนึกว่าเราทำให้ถูกต้องบางคนต้องเจอแรงๆนะไม่ใช่แค่ถูกประนามขับไล่ยอย่างเดียวอย่างพระชันนะเนี่ยชันนะนี่เราคงจำได้นะพุทธประวัตเิเป็นผู้ที่พาพระ เ, เจ้าชายสิท ธ, ธาออกบวชเอาอบวชแล้วตอนหลังตัวเองก็บวชตามบวชตามนี่ก็ เป็นผู้ที่เกิดความหลงตัวมีทิฏฐิมานะว่าเนี่ยเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พาพระพุทธเจ้าออกบวชฉันเป็นคนสำคัญนะเพราะฉันั้นเนี่ยจะไม่ฟังนะไม่ฟังพระเพราะถือว่าเป็นพวกรุ่นหลังแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยด้วยเพราะถือว่าเนี่ยฉันเป็นเป็นคนใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายหยาบคายนะกับพระภิกษุสงฆ์ อายุก็แปดแล้วนะอายุท่าพระเจ้าตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าก็ฝากบอกพระอานุลนว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วให้สคณะสง์เนี่ยลงพรหมทันฉันนะลงพรหมทันพระฉันนะพอพระเจ้าเสด็จปรินิพพานพระอานนุลก็ดําเนินการทันทีไปหาพระฉันนะที่กลุงโกสัมพีแล้วก็บอกว่า คณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทานท่านแล้วพระฉันน้นไม่รู้จักว่าพรหมทานคืออะไรเพราะสมัยก่อนพรหมทานเกิดขึ้นน้อยมากถามว่าพรหมทานคืออะไรพระอนุ น, นตอบว่าพรหมทานก็คือว่าท่านจะทําอะไรท่านจะพูดอะไรก็พูดได้ตามสบายคณะสงฆ์จะไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่ตักเตือนท่านพอได้ฟังแค่นี้พระชันน่าตกใจเลยนะอุทานขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเท่ากับฆ่าข้าขพเจ้าทีเดียวนั่นเนี่ย การที่พระสงฆ์นี่ไม่คบค้าไม่พูดไม่สอนไม่ท้วงติงนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสถึงกับเป็นการฆ่าเลยนะเพราะชนน์น่าเลยสลบเลยนะเพราะไม่คิดว่าจะเจอไม้แรงขนาดนี้สมัยก่อนนี่แค่นี้ถือว่าไม้แรงนะคือไม่ได้ถึงกับจับจับสึกนะแค่ไม่คบคาสมาคมด้วยเนี่ยเพราะชนน์น่านี่เป็นลมเลยพอฟื้นขึ้นมานี่ก็เกิดสํานึกนะ ตอนนั้น80แล้วนะพอายุเท่ากับพุทธเจ้าก็เลยมาตั้งหน้าต่งางทางบาเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียวบาเพ็ญปฏิบัติผู้เดียวในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันตะ์อันนี้เรียกว่าบางคนเนี่ยต้องต้องเจอไม้แรงนะถึงจะสำนึกนะเพราะว่าธรรมาชาติงกิเลสเนี่ยบางทีมันก็ครอมงามจิตจนกระทั่งตัวบุคคลผู้นั้นเนี่ย หลงหลงไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะจะพูดจะสอนดีๆก็ไม่ฟังนะต้องเจออะไรที่มันมากระทบนะกับตัวอัตตานะคนเราเนี่ยยอมปรับนาการยอมรับถึงแม้จะชั่วไร ย, ยังไงก็ต้องปรับนาการยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าหมู่หมู่คณะไม่ยอมรับเนี่ยนะก็จะทุกข์มากซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดการพลิก เกิดความสำนึกตัวขึ้นมาได้ในสาเพื่อการยังมีตัวอย่างอีกภากมายนะของคนที่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตไปตามปกติก็ไม่เกิดความก้าวหน้ายังปล่อยชีวิตไปตามกระแสแตเมื่อเจอคาท้วงติงหรือว่าถ้อยคาแรงๆเนี่ยจึงจะเปลี่ยนอย่างเรื่องราวของมารดาพระกุมารกสปะก็เป็นตัวอย่างหนึง่งท่านเป็นพิสุตณีนะ มันดาพระกุบารกสปะมาบวชแล้วบอกว่าต่อมาก็พบ ว, ว่าตุ้งทองทองก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระเทวทัตเนี่ยเห็นก็ให้จับสึกนะหาว่ามีเพศสัมพันธ์หลังจากบวชแล้วก็ปาราชิกต้องศึกอย่างเดียวแต่เธอภิสุนีท่านนี้ก็ ป, ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีปฏิไม่ได้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่ได้ล่วงละเมิด อ, อาบัติปาราชิกเลย ก็ขอความเป็นธรรมจากพกระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็เลยให้หนางวิสาขามาสอบสวนก็มีการนับวันว่าท้องกี่เดือนแล้วก็นับวันก็ปรากฏว่าการท้องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นการเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากบวชแล้วนะแต่ว่าเกิดขึ้นก่อนบวชคือก่อนบวชนี่ก็มีเพศสัมพันธ์กับสามีนะตอนหลังเบื่อชีวิตครอบครัวก็เลยมาบวช ก็บังเอิญไอ้เพศสัมพันธ์นั้นก็ทําให้มีปฏิสนธิคราวนี้ก็เลยผู้เจ้าก็เลยตัดสินว่าไม่ผิดไม่ผิดก็เลยไม่ศึกก็รอให้อ่าท้องให้รอให้คลอดลูกพอคลอดแล้วนี่ก็จะเอาลูกไปไว้ที่ไหนล่ะจะให้แม่เลี้ยงก็ไม่ได้เพราะเป็นภิกษุณีแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกวลก็รับเลี้ยงหนับเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่ากัสปะ ฝ่ายผู้ที่เป็นแม่นี่ก็นึกถึงลูกอยู่เสมอแล้วคอยติดตามความเป็นไปของลูกนะก็เพราะว่าลูกเนี่ยต่อมาก็มีศรัทธา菩萨ธะบวชบวชเป็นเนร น, นะแล้วก็ตอหลังก็เป็นภิกษุก็กุมามกั์สปานี่ภายหลังนี่ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์นะส่วนผู้ที่เป็นแม่เนี่ยก็นึกถึงแต่ลูกอยู่เสมอเพราะความเป็นแม่ ติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนไปของลูกวันหนึ่ ง, งพระกุมารกัสปะเดินบินทบาตก็ดีใจมากนะวิ่งเข้าไปจะไปเกานะเป็นภิกษุณีนะจะเข้าไปเกอดแต่ว่าไม่ทันได้เกอะก็ล้มลงพระกุมารกัสปะเห็นก็รู้ว่าเนี่ยแม่เนี่ยรักตัวเองมากแต่ด้วยความปรารถนาดีต่อแม่เนี่ยท่านก็เลยพูดขึ้นมาแรงๆเลยว่าท่านมาทําอะไรที่นี่ มาบวชแล้วนี่ยังไม่ตัดความรักจากลูกอีกเลยพิสุนีท่านนั้นได้ยินก็เสียใจมากนะว่าโอ้ยลูกนี่พูดจาหยาบคายเหลือเกินนะถ้อยคำของลูกนี่ช่างหยาบคายเหลือเกินลูกพูดอะไรนะถามใหม่พรกกุมากระสปะ ก, ก็ย้ําเหมือนเดิมนะพิสุนีเสียใจมากเลยนเะนี่ยโอ้เราเราร้องไห้เนี่ยคิดถึงลูกมาตลอดสิบสองปี แต่ว่าลูกเนี่ยช่างมีจิตใจหยาบกระด้างแบบเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะนึกถึงลูกต่อไปก็เลยตัดความรักความอะไรในลูกเลยไม่แล้วตอนนี้ไม่ไม่คิดถึงลูกแล้วเพราะาลูกเนี่ยจิตใจหยาบกระด้างมากที่จริงพระกุมการกสปะถ้าเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ท่านต้องการที่จะพูดเพื่อให้แม่เนี่ยตัดหรือ ปล่อยวางลูกก็ได้ผลสมใจนะพิะสูนะีท่านนั้นก็ปล่อยวางจริงตัดความเสน่หาในลูกบอกกว่าวันนั้นเองนะท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยคือจวนจะบรรลุอยู่แล้วแต่ยังมีติดอยู่อย่างเดียวคือความรักความอาลัยลูกยังมีความยึดติดหรือมั่นอยู่ลูกของฉันลูกของฉันลูกของฉันแต่พอเจ อ, เอคำพูดแรงๆของพระกมุมารกัสปะนี่ก็ เป็นคำทวงติงที่แรงมากสำหรับคนที่เป็นแม่ก็ตัดใจได้เลยนะพอตัดใจได้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะยึดจัดติดอีกแล้วนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีอันนี้ถ้าไม่เจอคำทวงติงไม่เจอคำว่ากล่าวของพระกุมารกสปะนี่ก็คงยากนะที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะ คำท้วงติงหรือว่าคำว่ากล่าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะสามารถทาให้จิตนิพลิกได้ทาให้เกิดการบรรลุธรรมได้เพวกเราเนี่ยจะไม่ถึงขั้นปรารถนาการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าก็ปรารถนาความจเจริญงอกงามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าเป็นเป็นคารวานนะดนฉะนั้นต้องพยายามที่จะเปิดใจรับฟังคมท้วงติงคา ชี้แนะหรือว่าคําว่ากล่าวนะแม้ว่ามันจะเป็นถ้อยคําที่อ่าที่รุนแรงแต่ถ้าเรามองให้เป็นนะก็จะได้ประโยชน์มีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ก่อสร้างเมืองโบราณตอนนี้ก็เสียชีวิตไปละเสียไปนานแล้วเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลหรือท่านมองว่าเนี่ยคำตำหนินเป็นประโยชน์ โดยเพาะคนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นเจ้านายคนที่ร่ํารวยนะก็มักจะมีคนสารเสริญคนประจบประแจงด้ซ้ำนะก็อาจจะหลงตัวลืมตนได้แล้วคนเราถ้าหลงตัวลืมตนแล้วก็ตกสู่ความเสื่อมเน่ง่ายๆนะเพราะว่าจะทำอะไรก็เชื่อตัวเองถูกอยู่เสมอแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ข่าบดีคนนีนะ้เป็นคนที่มีแกนศาส เวลาได้เวลามีคนวิจารเวลามีคนตำหนิกก็ช่วยทาให้ไม่ลไม่หลงตัวลืมตนทำให้รู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะก็เลยถือว่าเป็นมงคลนะตรงข้าววันไหนไม่ถูกตำหนิกวันนั้นเป็นอัาประมงคลเพราะเราก็ลองเอาคติพจน์นีไ้ไปใช้ดูก็ไดนะ้มันจะช่วยลดละอตาได้ทีเดียว อัตตาตัวตนหรือมานาเนี่ยมันมันต้องการมันปรารถนาคาชื่นชมคำสารเสรินการยอมรับนมันจะทนไม่ได้เลยกับคำตำหนิอย่าว่าจะ่คำตำหนิเลยเพียงแค่ไม่มีคนสารเสวนเนี่ยอัตตามันก็ไม่พอใจลวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันนิสัยของอัตตาตัวนี้เนี่ยนะเวลามันไม่พอใจเมื่อผู้คนไม่สารเสริญหรือเกิดความ อหมุดหงิดหรือถึงขั้นไม่พอใจเมื่อได้รับคําตําหนิคําทักทวงก็ให้รู้ว่าเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ของอัตตาจนะาไปเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราอย่ า, อาความทุกข์ของอัตตาเอาทุกข์เอาความทุกข์ของขงของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราก็ให้มันทุกข์ไปให้มันทรมารไปมันจะได้เข็ดมันจะได้หลาต่อไปมันจะได้อ่ อ, อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นนะอันนี้แหละจะเป็นวิเป็น การพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตนะอย่างที่ภาษสารีบุตรอย่างที่พระอรหันต์หลายท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าได้เป็นแบบจากที่พร้อมน้อมรับความวิจารณ์ทีนี้ในส่วนคนที่วิจารณ์ท้วงติงก็ ก, ก็ต้องอ่าก็ต้องตระหนักนั่นะว่าอาการที่จะท้วงติงการที่จะอ่าว่ากล่าวเนี่ยสิ่งสำคัญคืคอความมีเมตตา จะได้ผลก็ต้องมีเมตตาเป็นประการแรกนะตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะก็ลดแต่เกิดขึ้นจากความเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นจากความโกรธเกลียดหรือว่าอยากจะด่าอยากจะว่ากล่าวด้วยความสะใจแต่มีเมตตานี่เป็นพื้นฐานเลยมีความปรารถนาดีอย่างที่คำกล่าวคำปารานาเนี่ยก็จะมีจะพูดถึงตอนนี่ว่าเนี่ยให้ท่านว่ากล่าวด้วยความเป็นดนะูความเป็นดูความเมตตานั่นเอง ถ้าหากว่าว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตที่มุ่งร้ายหรือว่าด้วยจิตที่เจือความโกรธแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตรงข้ามนะก็ทำให้ฝ่ายหนึ่งโกรธมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทําด้วยความเมตตามันก็จะเกิดผลดีกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่เมตตายัางเด็กไม่พอนะผูเจ้าได้แนะนําว่าจะต้องใช้วาจาที่ดีด้วยใช้วาจาที่ดี ปิยวาจานั่นเองแล้วก็ต้องพูดถูกเวลาพูดถูกเวลาก็สำคัญนะอย่ว่าแต่คำตำหนิเลยแม้ัต่คำชมคำสรรเสริญพระเจ้าก็บอกว่าให้ให้สรรเสริญถูกเวลาด้วยเพราะว่าถ้าผิดเวลานะมันก็เกิดผลเสียได้นะเช่นไปทำให้คนอื่นเขาอิจฉาเขาเกิดความไม่พอใจก็เดือดร้อนกับคนที่ถูกคนที่ได้รับคาสรรเสริญก็มี หรือทาให้คนที่ได้รับคําสารเสด็จเนี่ยหลงตัวก็มีนะกลายเป็นอ่าก็เรียกว่าจุมพิษพิฆาตนะหมายถึงว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียต่อผู้ที่ได้รับคําชมอย่างนักเขียนหลายคนนยะพอได้รางวัลแล้วเนี่ยเขียนไม่ออกเขียนไม่ออกเพราะว่ากลัวว่าจะสู้ผลงานเก่าไม่ได้ผลงานเก่าได้รางวัล น, นะพอจะเขียนผลงานใหม่เขียนไม่ออกแล้วอันนี้เรียกว่า เป็นเพราะว่ามันมีความยึดติดในรางวัลที่ได้รับในคำสารเสด็จดังการพูดถูกเวลาก็สำคัญและที่ขาดไม่ได้คือต้องเป็นความจริงและมีประโยชน์อันนี้เนี่ยมักจะเป็นปัญหากับผู้คนจำนวนมากคือสิ่งที่ทวงติงไปเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเป็นคาเล่าลือ ได้ยินได้ฟังมนก็พูดมาพูดต่ออีกทีหรือถเป็นความจริงแต่ไม่มีประโยชน์นะก็ต้องใคร่ครวญด้วยเพราะฉะนั้นหลักในการที่จะวิจารณ์ท้วงติงเนี่ยมันก็ไม่อยู่นะ5ข้อเนี่ยคือว่าต้องทำด้วยจิตที่มีเมตตาใช้วาจาที่ไพเราะปิยาวาจาพูดถูกเวลาพูดคำจริงและมีประโยชน์ฉนั้นถ้าเกิดว่า ไม่ครบทั้งหประการเนี่ยก็อาจามีปัญหาได้นะคำท่วงติงคำแนะนําบางทีก่อให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่พอใจก็เพราะว่ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปอันนี้ก็เป็นศิลปะหรือเป็นธรรมะของผู้ทวงติงด้วยที่จะต้องมีนะเพราะนั้นก็คือว่ามันต้องมีทั้งสองฝ่ายนะธรรมะต้องมีทั้งสองฝ่าย ผู้ที่ทวงติ่งก็ต้องมีธรรมะที่ใช้ประกอบการทวงติง่งส่วนผู้ที่ถูกทวงติ่งก็ต้องมีธรรมะคือมีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็ยอมรับพยายามที่จะมีความอด น, น้อมถ่อมตัวถ้าเกิดว่ามีทั้งสองทั้งสงฝ่ายมีธรรมะอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์จะเกิดความเจริองงองามแล้วเกิดความสามัคคีกันด้วย อันนี้รคือความหมายของของวันมหาปรารณานะซึ่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นพิธีกรรมไปเสียเยอะแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเนื้อหาสาระของอพิธีนี้เท่าไหร่พิธีมันเป็นรูปแบบนะทึ่สำคัญคือคือเนื้อหาสาระคือหัวใจคือเจตนารมคือความเข้าใจนะใน ความหมายของพิธีเ๋ยวนี้เราทาเราติดกับรูปแบบมากงานบุญก็ต้องมีพิธีรับศีลแต่ว่าเจตนานี่ไม่ได้มีความเคารพในศีลเจตนานี่ไม่ได้เห็นคุณค่าของศีลเลยรับศีลเสร็จก็ไปกินเหล้ากันก็มีนี่เพราะว่าเจตนานลมหรือว่าสาระมันหายไปพิธีมาปรณนาก็เช่นเดียวกัน ตอนนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความหมายแล้วก็พยายามที่จะรักษาความหมายด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเองมันก็จะเกิดประโยชน์ที่จริงแม้จะไม่มีพิธีนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนตนก็ต้องพร้อมที่จะน้อมรับคําวิจารณ์อยู่เสมอไม่ใช่จากพระด้วยกันเท่า น, นั้นโยมก็ทวงติงพระได้ พระก็ทวงติมโยมได้แม่ชีก็ เ, เหมือนกันพระนี่ต้องเปิดกว้างให้ให้เปิดกว้างพร้อมยอมรับความทวงติงจากใครก็ได้ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นครูบาอาจารย์อย่างพระสายระบุนี้ก็ฟังแม้กระทั่งสามเณรที่จริงแม้กระทั่งกับลูกศิษย์ค น, น, นอื่นๆท่างก็ฟังอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่ลดละตัว ต, วตนแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูว่าคนเรามีความเจริญก้าวหน้าแค่ไหนเนี่ยส่วนก็ดูจากการที่สามารถเรียน้อมรับคำวิจารณ์โดยก็พะจากคนที่ อ, อยู่ในฐานะที่ต่ากว่าได้หรือเปล่าอันถ้ารับฟังได้ก็แสดงว่าตัวตนนี้ก็ได้ลดลับไปมากแล้วและยิ่งฟังมากเท่าไหร่ก็จะช่วยทำให้การลาดตัวตนเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น